จบเล่มหนึ่งยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากซึ่งรวมพิมพ์ไว้ในเล่มสองถ้าชุมรวมผลดีสามารถหาต้นฉบับได้ก็จะนำมาทำปเป็นสียงอ่านต่อไปนะครับแล้วกอฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับเรื่องในบทที่สิบนี้ด้วยในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานคาถากันผีไว้ที่เรารู้จักกันดีในบทสวดกรณียเมตสูตร หลักสำคัญไม่ใช่การไล่ไม่ใช่การต่อสู้กับผีนะครับแต่เป็นการแผ่เมตตาแผ่ความหวังดีส่งความรู้สึกดีๆซึ่งจะเป็นการผูกมิตรกันและพลังเมตตาที่แท้จริงนั้นจะทำให้ผูดผีปีศาจร้ายต่างๆนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนลงได้อันจะเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดเรื่องนี้ก็คล้ายกับในชีวิตจริงถ้าเราต้องเดินผ่านในที่ที่มีอันตพานมั่วสุมกันอยู่นั้นให้ลองคิดดูนะครับ ว่าถ้าเขามาหาเรื่องเราหากเราพูดดีๆกับเขาและสามารถให้บางอย่างที่จะทําให้เขามีความสุขได้อาจจะเป็นขนมหรือเงินทองเล็กน้อยให้ลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าการกระทําเหล่านั้นจะให้ผลอย่างไรเมื่อเทียบกับการด่าดตอบหรือต่อสู้กับพวกอันธพาลนี่เป็นแค่การเปรียบเทียบนะครับซึ่งในความเป็นจริงพลังแห่งเมตตาที่แท้จริงและมีกําลังเข้มข้นพอนั้นจะมีผลอย่างมากต่อผู้ผีปีศาจให้จิตใจอ่อนโยนลง อย่างน้อยก็รู้สึกเป็นมิตรกับเราและไม่เกิดจิตที่คิดอยากทำร้ายเราแล้วเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างในแววเสียงสวรรค์ที่แปลมาจากเรื่องจริงที่ต่างชาติก็ได้ประสบมานะครับกับเรื่องของวิญญาณของภรรยาเก่าที่อาฆาตแค้นสามีและสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยการแผ่เมตตาส่งความวางดีให้จนวิญญาณ น, นั้นละคลายทิฐิและจากไปโดยสงบซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่า เรื่องจริงของต่างชาติที่ไม่เคยมีความเชื่อในด้านนี้มาก่อนนั้นกลับมีหลักการตรงกับทางพุทธศาสนาที่สอนไว้สำหรับท่านที่สนใจฝึกเพื่อถอดกายทิพนั้นปัจจุบันมีหนังสือแนะนาจานวนมากคนรเร่งศึกษาธรรมขั้นพื้นฐานให้เข้าใจก่อนอย่างน้อยควรได้อ่านพุทธธรรมฉบับรับขยายสักครั้งและทำทานศีลภาวนาสมถวิปัสนาให้ได้ระดับหนึ่งก่อน จนมีคุณธรรมพื้นฐานมีบารมีทำดีพอเพื่อป้องกันการหลงผิดสร้างความเสียหายกับตัวเองได้หลายอย่างเทียบอิทธิฤทธิ์ก็คล้ายรถยนต์หากคนสติไม่ดีได้ครอบครองอาจขับไปชนคนอื่นและทำตนเองบาดเจ็บล้มตายได้แต่ถ้าอยู่ในคนดีมีสติสมบูรณ์ก็จะนำไปอนวยความสะดวกได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง การนำเอกสารชิ้นนี้มาเผยแพร่เพื่อต้องการที่เป็นตัวอย่างเทียบเคียงกับเรื่องเล่าของไทยและหลักฐานในคัมพีเพื่อเปรียบเทียบและเพิ่มน้าหนักให้แน่ใจว่าตายแล้วไม่สูญเพื่อให้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงอันจะมีผลให้ไม่หลงไหลไปกับสุขจอมปลอมในโลกและเกิดศรัทธามุ่งมั่นภาคเพียรสู้ปัญหาอุปสรรคในการทําความดีได้อย่างมั่นคงต่อไปข้อนี้เป็นหลักสําคัญที่ต้องการนะครับ ส่วนตัวแล้วเคยฝึกอะไรมาหลายอย่างและเคยมีประสบการณ์ตรงทั้งจิตผู้รู้ตื่นเห็นจิตกับกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นเหมือนชีวิตคนอื่นชัดเจนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กและครั้งหนึ่งเคยถอดจิตออกมาเห็นตัวเองนอนซึ่งภาวะจิตผู้รู้ตื่นกับการถอดจิตได้นั้นสองอย่างนี้เป็นคนละอย่างกันนะครับยังได้เคยเจอผีเจอเทวดาได้เกิดกรรมนิมิตที่แม่นมากหลายครั้ง ได้เจอคนที่อ่านใจออกได้ชนิดที่รู้ได้แม้กระทั่งขณะพิมพ์คุยกันคิดอะไรอยู่และเจออะไรอีกมากจนทำให้มั่นใจในคำสอนหลายอย่างในพระไตรปิฎกและครูบาอาจารย์ต่างๆได้อย่างหมดข้อสงสัยและเห็นประโยชน์จริงๆว่าหากเข้าใจเรื่องพวกนี้จะเป็นผลดีหลายอย่างแค่ไหนหากได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อแบบถูกทางซึ่งส่วนตัวแล้วที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธได้สุดตัว จนมาทํางานเผยแผ่ทำสิบกว่าปีจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะหนังสือของอาจารย์พรรัตนาสุวรรณที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายเป็นพื้นฐานเลยก่อนจะนําไปสู่การศึกษาพระไตรปิฎกจนมาถึงการเจริญสติดูจิตที่สุดท้ายแล้วได้คําตอบให้ชีวิตครบถ้วนว่าเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนถ้ายังอยู่ควรจะทําอย่างไรกับชีวิตจึงหวังอย่างยิ่งว่าเสียงงานที่จัดทําไวหลายเรื่องนั้นจะถูกนําไปศึกษาอย่างเข้าใจในทางที่ถูกต้อง เพื่อเข้าใจความจริงของธรรมชาติแห่งชีวิตและนำไปสู่ความหลุดพ้นแห่งวัฏสรรงสารได้ในที่สุดนะครับจบเสียงงานหนังสือประสบการณ์นอกกายเนื้อเล่มหนึ่งขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้สุภกิจนิมมานรเทพทวีช่างพินิจครอบครัวทิพทานทองอ้อยพรจึงวิวัฒนาภร กิติพรตรีสุภการครอบครัวปุญจิตครอบครัวภูมิประสบพรสวรรค์ลิลิตธรรมพันธนพันธ์สุทธหลวงวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตปนิดาพันชโชคคณิสรสังควุฒิรัตนอาภาอตโตหิอนุพันธ์สาอี่ยมมิชามาโสภาอุดมจิตสุทัศน์ดวงใจจิตสุทัศน์เรือวันรักคงร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่อง และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาและปลื้มปิติในบุญแห่งมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันขอน้อมพลังแห่งบุญนี้เป็นปัจจัยส่งให้ผู้ร่วมจัดทำและผู้ฟังทุกท่านจงเป็นสุขผลจากทุกภัยทั้งปวงจงถึงซึ่งความพร้อมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และทิพยสมบัติเปลี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล